หลายองค์ไปเจอท่านนะท่านก็บ่นให้ฟังไม่ได้บ่นนะเรียกลําพึงมากกว่าสุขแท้นอ้อสุขแท้นอนะ <c oughs> ้อนะการเจอหลวงปู่สุวัสดิ์หลวงปู่สุวัสดิ์เนี่ยจะเรียกว่าครูบาอาจารย์องค์สุดท้ายของหลวงพ่อเลยนะเจอที่ไรท่านก็บอกสุขแท้นอ้อสุขแท้นอ้อนะเราดูท่านโอ้ท่านทำไมมีความสุข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 เห็นแค่นั้นก็ดับไปเลยคาตีมันเร็วดีพ่อแต่เวลาทำอนาปนสติต้องระวังนะบางคนทำอนาปนสติผิดทำแล้วพอกฟูนอัตตานะเวลาทำอนาปนสติเนี่ยให้นั่งดูร่างกายนี่หายใจไปใจของเราเป็นคนดูอยู่ตัางหากนะอย่าให้ใจถลําลงไปเกาะอยู่ที่ลมนะนะใจต้องตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจนี่อย่างนี้ดี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 แล้วพอกฟูลอัตตาพอจิตนิ่งแล้วรู้สึกกูเก่งกูเก่งทำไมมันพอกฟูลอัตตานะเพราะมันเริ่มเบี่ยงเบนตั้งแต่คิดจะปฏิบัติแล้วพอเราปฏิบัติเราจงใจจะไปรู้ลมมันเดียวไม่ให้จิตไปร่้วอื่อเนี่ยเริ่มบังคับมานล้ไม่ให้จิตหนีไปที่อื่น บ, บังนคะับได้แต่สมถะนะแล้วก็กูเก่งกูเก่งกูเก่งนะแต่ถ้าอยากจเจริญอนาณาปณสติให้มันเป็นมิปัสสนา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 รูปไปสบายหรือบางคนไปรู้ความว่างรู้แล้วสบายก็เลยติดไงเคยได้ยินคำว่าติดสมถะไหมไม่เห็นมีใครเคยได้ยินคำว่าติดมิปัสสนาเคยได้ยินไหม <c oughs> มีแต่ติดสมถะนะั้นต้องแยกให้ออกนะแยกรูปแยกนามไปการแยกรูปแยกนามเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญานะคือจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาเลยมันเป็นยานตัวที่หนึ่งในโสรถยานยาน16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 งั้นไม่ใช่ว่าไม่ทําความสงบนะจิตใจต้องสงบต้องตั้งมั่นนะตรงนี้ทําสมถะแต่พอทําสมถะจิตใจสงบจิตใจตั้งมั่นแลให้มารู้ทุกทิ้งการรู้กายรู้ใจไม่ได้ไม่ใช่ให้ไปรู้ความว่างด้วยนะนะเมื่อวานก็มีคนมาบอกหลวงพ่อว่าภาวนาดูความว่างใช้ไม่ได้ดูความว่างนะใจก็ไปจงใจสร้างพบอันหนึ่งที่ว่างๆแล้วก็ไปอยู่ในพบอันนั้นนะอันนั้นไม่ได้พ้นทุกจริงพระพุทธเจ้าให้รู้ทุกไม่ได้ให้หนีทุก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 เนี่ยเนี่ยเนี่ยเริ่มผิดตั้งแต่ตรงนี้ละเนี่ยต้องให้สบายแลผ่อนคลายใจรวมทันทีหลวงพ่อซ้อมนะแต่ก่อนเนี่ยกะว่าในหนึ่งวินาที2วินาทีทำได้ไหมตอนนั้นหัดใหม่ๆนะเล่นแต่สมาธิทำไมต้อง 1, วินาที2วินาทีไม่เผื่อลดกว่อมถ้าลดกว่อมเราจะตายเนี่ยในสักสองวินาทีเนี่ยจะเอาไหวไหม ต, ต้องซ้อม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 เหมือนเด็กอะเด็กวิ่งออกไปสนหน้าบ้านนะอยากให้มันเข้าบ้านนะคว้าไม่เลียวไปตี ต, ตีเอาโซ่มาผูกเด็กดิ้นอยู่กับเสาเนี่ยเอาขนมมาล่อมามากินไติมมาวิ่งแจ้นมาเลยใช่ไหมมาเองมีความสุข เ, เด็กก็มีความสุขจิตนี้ก็มีความสุขนะมีความสุขแล้วแหมกินไติมมีความสุขนะจิตเราเหมือนเด็กนะ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 ถ้าเจ็ดปียังไม่ได้ดูสิบหกปีนะสิบหกปีนี่เป็นตัวเลขตัวตั ว, ตวของครูบาอาจารย์หลายองค์เฉลี่ยเฉลี่ยใครจะคุยชนจริงๆเรียนกรรมฐานนะไม่ต้องคุยเยอะก็ได้ใช่ไม <laughs> ไม่ต้องถามก็ได้จิตใจเราขณะนี้เป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นยังงั้นไม่เห็นต้องถาม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 จริงๆไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกคำถามเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อนะไม่ได้เรียนสิ่งอื่นหรอกหัดดูสภาวะเท่านั้นเองหัดรู้สภาวะไปพอ ร, รู้สภาวะได้สภาวะจะสอนธรรมะเราจะแสดงลักษณะคือไตรลักษณ์ให้ดูสภาวะเนี่ยคือตัวของมันเช่นความกโกรธปุดขึ้นมาเรารู้ว่ากโกรธสติเป็นตัวรู้ว่ากโกรธนะ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 แ ป, ป๊บเดียวมันก็ไปอ่ะเออใช่อย่างเงี้ยถูกต้องถ้าถ้าไปแ ป, ป๊บเดียวไม่ใช่นะแต่ถ้าแ ป, ป๊บเดียวไปเนี่ยใช่เป็นอย่างนี้ทุกคนแหละใครคดูไปอย่างที่หลวงพ่อพาดูนะดูได้ๆพ่อ เ, อเคลิมไปแล้วพ่อทำอนาปัณสติก็ไม่ให้เคลิมนะ เ, มเวลาจิตรวมมันไม่ใช่รวมเคลิมเคิมจิตรวมนี่มันรวมลงนุ่มนวล น, นะรู้ตัวตลอดสายเลยบางทีกายหายไปความรู้สึกตัวก็ยังอยู่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 พอดีเมื่อคืนทำสมาธินะะแล้วก็ดูพอจิต เ, เป็นสมาธิเริ่มนิ่งเนี่ยก็ดูดูดูกายดูดูจิตไปแต่ทีนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าจิตมันแล่นออกมาเร็วมากเนี่ยแล้วยังแน่นไม่เลิกเกินป่านนี้หรือ อ, อ๋อไม่ค่ะตอนนี้ไม่เป็นแล้วแ ต, วตนน่ตอนนี้ไม่แน่นแล้วเหรอไม่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 แกแล้วโอ้โหตึงโอ้ตึงบางทีเขาถามอย่างต่อไปอย่างนะบางทีไม่ได้ฟังเขาถามหรอกนี่ความลับนะถามไม่อย่างงั้นตอบไปแต่ว่าเราดูจากสภาวะแล้วตอบไปก็ดูไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้รู้สึกเกร็งๆนิดนึงดีเบอร์เจดสเบอร์สิองก็ดีนะแต่พอศบตาหลวงพ่อเลยแข็งไปละ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 นะที่หลวงพ่อว่าดีรู้สึกไหมใจเราไม่ค่อยดิ้นใจเรายอมรับสภาพของธรรมะที่ปรากฏนี่มากขึ้นมากขึ้นเป็นกลางมากขึ้นนะเราภาวนาเนี่ยไม่ได้เอาดีเอาสุขเอาสงบหรืออะไรหรอกแต่เราภาวนาจนเดียวทั้งจิตใจมันเห็นความจริงของกายของใจนะต่อไปพอมันเห็นความจริงว่าทุกอย่างชั่วคราวเนี่ยเวลาอะไรเกิดขึ้ น, นใจจะไม่ดิ้น ใจจะมีความสุขมีความสงบมีความตั้งมั่นอันนี้เป็นความตั้งมั่นที่เกิดจากการมีปัญญาตั้งมั่นเพราะปัญญานี่เป็นตัวที่สําคัญที่สุดเลยนะจิตจะเกิดมรรคเกิดผลหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าจิตนี้ตั้งมั่นด้วยปัญญาหรือไม่ถ้าตั้งมั่นด้วยสมาธิไม่เกิดมรรคผลนะแตั้งมั่นด้วยปัญญาเนี่ยเป็นทางให้เกิดมรรคผลนิพพานเว<ม>ลาอย่างเราตามดูทุกวันเราเห็นแต่เดิมเราไม่ยอมรับความจริงความสุขเกิดเราอยากให้อยู่นานๆนะ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 นั่งสมาธิเองเจ้าค่ะแล้วโยมก็รู้สึกว่ามันมีความชอบชอบอยู่เจ้าค่ะแล้วก็อยู่นานมากโยมดูพองยุบมันเจ้าค่ะแต่ว่าไม่มีคําพูดก็อยู่นานมากมันก็เป็นสมาธิใช่ไหมเจ้าค่ะใช่แล้วก็ควรจะทำยังไงถ้าเกิดแบบนั้นถ้าเรามีความสุขก็มีอยู่นานๆนะพอหมดเวลาปฏิบัติจิตถอยออกมาเราก็ดูความสุขที่มีอยู่หายไปละความสุขไม่เที่ยงละดูอย่างนี้งั้นเราก็แช่อยู่กับความสุขก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะได้ได้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 นั่งสมาธิก็จะเหมอลอยแล้วไม่อย่างนั้นไม่ใช่เรียกว่ามีสติแล้วแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงเจ้าหก็ต้องลุกขึ้นมาเดินใช่ไหมอย่าเดินไปอย่าไปนั่งไม่เออยไม่เอานะเมอลอยอนี่ไม่ดีเลยจิตใจเหมอลอยมันมีโมหะจิตถ้ามีโมหะเคยชินนะถ้าตายไปไม่ดีพยายามรู้สึกตัวไปเรื่อยๆอาว่าไป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 แล้วก็ทแล้วก็ตามใจไปอยู่อย่างงั้นแล้วพอนึกขึ้นได้เนี่ยก็จะทำสมถะได้สักสองสามนาทีแล้วก็ลอยหลุดไปอีกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะที่ภาวนาอยู่ตอนนี้ดีแล้วนะจิตใจไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วดูออกไหมรู้สึกว่าใจเบาขึ้นเจ้าค่ะนั่นแหละใจของเรามันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาใจของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาภาวนาดี หนูก็ปล่อยอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมเจ้าคะ่ะแต่ไม่ใช่ปล่อยปละนะปล่อยให้มันทำงานแล้วตามดูเจ้าค่ะไม่ใช่ปล่อยปละละเลยนะภาวนาดี <c oughs> ตั้งแต่เจอกันมาวันนี้ภาวนาดีที่สุด <c oughs> เอาแล้วคนนี้กี่ขวบแล้วเ <c oughs> <c oughs> ก้าขวบเจ้าค่ะยังกลัวหลวงพ่อเลยยังกลัวหลวงพ่อแต่ว่ามีคำถามอยากจะถามหลวงพ่อเ <c oughs> หรออยากถามหรือแม่บังคับให้ถาม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 เขาบอกว่างัวงเงียอยู่ตลอดเจ้าค่ะเออก็อย่านอนให้ดึกนักนะอย่าเล่นสนมากนะักถ้าก่อนนอนเราสนมากนะใจเราฟุ้งซ่านนะมันจะต้องนอนนานถึงจะหายงัวงเงียถ้าก่อนนอนเราไหว้พระสวดมนต์ท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆนะเวลาหลับไปแล้วหลับไม่นานหรอกตื่นขึ้นมาสดใสถ้าลงบอกหลวงพ่อว่าตื่นแล้วฟุ้งซ่านงวงเงียเนี่ยสแสดงว่าก่อนนอนไม่ได้ซ้อมไปเลย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 แต่ถ้าเมื่อไรภาวนาจนไม่รู้เรื่องนะเราก็อาจจะทําสมถะขึ้นมาทําพุโทโธก็ได้นะหายใจก็ได้พุโทโธพุโทโธไปพุโทโธนะหลวงพ่อนิยมมากกว่าหายใจนะเพราะหลวงพ่อไปติดลมหายใจอยู่นานเข็ดนะเราสังเกตดูพวกเราที่ฝึกหายใจมกกักจะไปติดลมภาษาไทยเลยใช้คําว่าติดลมไงเห็นไหมมีคําว่าติดลมเห็นไหมคนไทยโบราณนั้นเก่งมากเลยบัญญัติสั์มาแล้วก็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 หรือกับเหนื่อยมีสติอยู่กับสบายกับข้างกันตอนนี้จิตหนีไปคิดแล้วทราบไหมจิตลงไปละวเตนเนะเออตื่นเต้นอย่าไปกดมันไหมอย่าไปกดมันยังกดอยู่ดูออกไหมเอออย่าไปกดมันนะเอาไปส่งไม้ไปไมน้นี้มันอาถรรพ์ใครจับก็ตัวแข็งไปหมดนี่ขนาดจากักยังตัวกระสับกระสายขึ้นมาแล้วรู้สึกไหม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 จริงๆ จ, จ, จะไปดูนี่คือมันหลงไปคิดอย่างหนึ่งมันเป็นการหลงไม่คิดอย่างหนึ่งที่จริงฝึกก็ไม่ต้องรู้อะไรเยอะก็ได้นะจิตหลงไปคิดรู้ว่าไปคิดเท่านั้นละพอละเพราะภาวะแห่งการหลงคิดเป็นสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดเนี่ยยังตั้มตอนเนี้ยจิตหลงคิดก็รู้ว่าหลงคิดไปแล้วไงจากมันก็ก็ไม่มีอะไรครับก็ดูไปเรื่อยๆครับเพียงแต่ว่า สองวันนี้อมไม่ได้เดินจงกรมตอนกลางคืนแค่รู้สึกไม่ใจไม่ตั้งมั่นใช่ครับใจไม่ตั้งมั่นเลยนั่นแหไปเพิ่มสมาธิขึ้นเดินจงกรมไปแล้วก็รู้กายที่เดินไปเรื่อยๆอย่าขี้เกียจนะสองวันนี้พอดีไม่ได้เดินก็เลยทำไมสองวันนี้พิการหรออ๋อหมายถึงไม่ได้ปฏิบัติตามรูปแบบอะครับสอวันนี้ ทุกก้าวที่เดินให้รู้สึกตัวเรียกเดินจงกรมหมดเลยทั้งวันนะเดินช้อปปิ้งอยู่ก็เห็นร่างกายเดินไปจิตใจเคลื่อนไหวแล้วก็รู้ไปพยายามแทรกเอาไว้ในชีวิตของเราทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวก็เรียกเดินจงกรมแต่พอในชีวิตประจําวันบางทีจะไปรู้สึกตัวมันก็เข้าไปทําแล้วมันไปรู้เมื่อทุกข์แล้วใช เมื่อก่อนมีเพลงนะเมื่อรู้สึกตัวก็สายเสียแล้วเพราะมันทุกข์แน่นขึ้นมาแล้วถึงจะรู้ <c oughs> ไอตอนเกิดกิเลสยังไม่ทันเห็น <c oughs> เกิดการกระทํากรรมยังดูไม่ทันใช่ไหม <c oughs> เกิดวิบากทุกข์ขึ้นมาแล้วถึงจะเห็น <c oughs> ก็ยังดียังดีในไตรวัตรยังเห็นอยู่ท่อนหนึ่ง <c oughs> อย่าขี้เกียจนะจากจากภาวนาดีอยู่แล้วล่ะแต่นี้ใช้ได้แล้วแต่ว่ามันขี้เกียจไป พอดีเมื่อคืนก่อนเพื่อนชวนไปดูพระณเลศสวนกับอาดึกเลยไม่ได้เดิ น, นออเอความเร็วอยู่ที่เพื่อนนี่เองนะจิตมีกําลังขึ้นครับแล้วก็แต่ยังดิ้นขุกคลักกับอกุศลอยู่ครับเอย่าเพิง่งหนีไปจิตขณะนี้เป็นยังไงมัวสัวครับ<อ>ไม่ตั้ ง, งมัน่นครับอย่างนี้ผ่านคุณยายว่าไงคุณยายคุณยายนึกว่าไม่ถึงแล้วมั้งวันเนี้ย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 คือเราภาวนาถูกนะมีความสุขพอเราเห็นสภาวะพระจิตมันจําสภาวะได้นะจิตใจก็มีความสุขขึ้นมาเลยมันตื่นน ะ, จ, ะ, ะจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็มีความสุขขึ้นมาตอนนี้จิตนี้ไปคิดรับไหมไม่ค่อยตั้งมัน nữa, ่นน ะ, ะไม่ตั้งมัน่น ค, คุณยายก็ต้องทําในรูปแบบบ้างนะหรืออย่างคุณยายเนี่ยสามารถเจริญสติในชีวิตประจําวันได้ดี อยู่นี่ก็ดูหญ้าไปหลพ่อไม่ใช้ควาว่าถอนหญ้านะเพราะพระใช้ให้ถอนหญ้าแล้วอาบัดบอกให้ไปดูหญ้า <c oughs> เก็บก้อนหินอะไรอย่างเงี้ยถอนไปยิ้มไปเก็บไปยิ้มไปนะคะมันมีความสุขที่ว่าอ่า น, น, นั่นแหละเราเคลื่อนไหวนะแล้วเร า, ารู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึ ก, <า>กมีความสุขดีดีรักมันใจแต่ใจมันฟุ้งไปนิดนึงยังยังฟุ้งซ่านอยู่ค่ะ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 คุณท่องพุโทโธไปก็ได้พุโทโธพุธโทโธไปแล้วใจนิ่งๆ่งขึ้นมารู้ว่าใจมันนิ่งๆพุโทโธขึ้นมาแล้วใจหนีวิคิดรู้ว่าหนีวิคิดละเราต้องซ้อมนะสติถึงจะเกิดบ่อยถ้าไม่ซ้อมก็ไม่เกิดบ่อยเหมือนนักมวยอะ่ะไม่ซ้อมชกนะชคไม่ออกง้างอยู่นั่นอะ่ะไม่โชคละทีผมก็สมถะมานานมากเพิ่งะจะเริ่มรู้จักวิปัสสนาก็ปีเสรษฐีที่ผ่านมานี่เองเพิ่งเริ่มเริ่มรู้จักครับค่อฝึกไปนะ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 นี่เป็นเรื่องของการคิดนบุญมีหลายเกรดไอ้ประเภทส่วนแล้วเฮงอะไรเนียไม่ใช่คำสอนในศาสนาพุทธหรอกมงคล38นะไม่มีข้อหนึ่งเลยว่าสวดมนต์แล้วเป็นมงคลมีแต่บอกว่าไม่คบคนผ่านแล้วเป็นมงคลครบบัณฑิตแล้วเป็นมงคลอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นมงคลหรือมีสติเป็นมงคลนะเข้าถึงธรรมะเป็นมงคลได้เห็นสมณะเป็นมงคลใช่ม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 ซึ่งทําให้ความคิดของเราเนี่ยชัดเจนขึ้นอแล้วก็กระทําได้ชัดเจนขึ้นอย่างเช่นว่าถ้าโมโหก็คิดคําด่าได้รุนแรงขึ้นร<ะ>ได้ทําคิดออกว่าเธอทําทให้เขาเจ็บใจได้อย่างไรรอคใดแล้วก็รู้ว่าโมโหยยท่าไหนก็เลยคิดว่าเอ๊แล้วก็ยิ่งทําให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยมีหลหักการอะไรเยอะเหลือเกินที่จะต้องถูกต้องซึ่งคิดว่า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 ใชได้ไปส่งไปข้างหลังชีวิตมันสบายขึ้นนะครับเหรอือมันสบายได้มันก็ทุกข์ได้นะฮะมันมันเริ่มมันเริ่มมีแรงภาวนาอีกแล้วมันวางเฉยเอ <c oughs> ดีแล้วไปดูไปแต่ว่ามันมันอยู่ลําบากขึ้นนะครับาจเหมือนมันอยู่กับเดินห้างลําบากขึ้นกินข้าวคนเยอะลําบากขึ้นอะไรนะั้นได้ยินไหมชั้น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 ชนะครั้งเดียวแล้วก็ขึ้นมาเป็นห้องเต้ละปกครองแผ่นดินต่อกันมา400ปีนิ่นสิ่งเหล่านี้เป็นศิลปะในการดำรงชีวิตเราคอยดูนะคุณธรรมฝ่ายดีของเราอย่างความอดทนอดกลัน้นการรู้จักรอรู้จักใจเย็นสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการที่เรามีสติรู้ทันตัวเองเราชอบรู้ทันคนอื่นแต่เราไม่ค่อยรู้ทันตัวเอง เราต้องฝึกที่จะเรียนรู้ตัวเองถ้าเราเข้าใจตัวเองนะเราจะเข้าใจคนอื่นหลักของการทําสงครามนะถึงมีรู้ตัวเองรู้คนอื่นนะรู้เขารู้เรานะลบร้อยศึกถึงยังไม่พ่ายแต่ไอ้คนแต่งตําราพ่ายเองสุนหวู่ <c oughs> ะได้อีกคนนึงเอ้าเชิญพอดีว่าเพิ่งมาครั้งแรกอะคะ่ะแล้วก็อยากจะขอคําแนะนําพระ ในการเริ่มปฏิบัติเพราะว่าหนูเป็นคนที่สามารถง่วงได้ทั้งวันนะคะง่วงทั้งวันเหรอเนี่ยองพระลูกศิษย์เอกหลวงพ่อเนี่ยเมื่อก่อนนะโมหะมากกว่าคน อ, อื่นนะเดี๋ยวอนุญาตให้เอาซีดีไปฟังได้นะนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีมันก็ง่วงนะสังเกต น, นะเนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อใช้เคล็ดลับไม้ตายอยู่ท่าหนึง่งหลวงพ่อยังไม่เคยเรียนรู้เลยอยันนี้เพราะว่าไม่ง่วงเท่านี้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 นะอย่ายืนเฉยกระดุกกะดิกไปเรื่อยเคลื่อนไหวนะขยับร่างกายไปเรื่อยหางงานทำนะพอดีว่าต้องทำงานที่แบบมันนั่งอยู่เฉยๆด้วยค่ะแบบแย่างัางแบบ้นมันยิ่งซึม ง, <ไป S 1> ง่ายมีเวลาก็ต้องไปเต้นแอโรบิกอะไรเงี้ยเต้นไปแล้วก็รู้สึกไปอะไรเงี้ยนะต้องเคลื่อนไหวอะเคลื่อนไหวไว้อ้าได้อีกคนนึงอ้าแถมว่างไง